รองเท้าแดงในหมู่บ้านเล็กๆมีเด็กสาวน้อยน่าสวยคนหนึ่งชื่อคารเรนเธออยู่กับแม่ของเธอในกระท่อมเล็กๆคาเรนเป็นเด็กสาวยากจนเธอไม่มีรองเท้าใส่เธอจะใส่รองเท้าไม้ที่แม่ทาให้เสมอรองเท้านั้นแข็งและทำให้เท้าของคาเรนเจ็บ หลังจากนั้นแม่ของคารนก็ป่วยมากค <c oughs> ารนใช้เวลาดูแลแม่ของเธอวันหนึ่งขณะที่กลับบ้านคารนก็เจอรองเท้าคู่แดงในกล่องมันวางอยู่ที่ข้างทางคารนชอบรองเท้าสีแดงและแตัดสินใจเอามันกลับบ้านแต่แม่ของเธอไม่ปลื้มที่ได้เห็นรองเท้าแดงค <c oughs> าริน ลูกห้ามเก็บอะไรจากข้างถนนมานะมันอาจจะเป็นของคนอื่นมันคือการขโมยน่าจะมีคนกำลังหารองเท้าแดงนน่แน่เลยแม้พวกเขาก็ต้องระวังกว่า น, นี้สิแม่คนใจก็ได้ไปโอเคเรนลูกอย่าดื้อสิแม่รู้ว่าเราจนแม่ซื้อรองเท้าสวยๆให้ใส่ไม่ได้แต่ความจนของเรานั้นทำให้เราใช้เป็นข้ออ้างในการทำบาปไม่ได้นะสัญญากับแม่มา ว่าลูกจะไม่ใส่รองเท้านั่นคาร์เรนเศร้ามากแต่เธอทำผิดสัญญาที่ให้ไว้กับแม่ไม่ได้เธอ ส, สัญญาว่าเธอจะไม่ใส่รองเท้าแดงนั่นเมื่อเวลาผ่านไปคาเรนก็หยุดคิดถึงรองเท้าแดงนั้นไม่ได้แม่ไม่เข้าใจเลยรองเท้าสวยๆพวกนี้ถ้า pues ม so um uhm ีคนเอาไปทิ้งข้างถนนก็แสดงว่าไม่มีใครต้องการมัน สัปดาห์หลังจากนั้นแม่ของคาเรนก็จากไปเพราะความเจ็บไข้ค า, ารนเศร้ามากและเธอทําอะไรที่ผิดปกติมากๆลงไปในงานศพแม่ของเธอคารินใส่รองเท้าแดงนั้นทุกคนที่งานศพมองไปที่เท้าของคาเรนแต่คาเรนไม่สนเธอรักรองเท้าคู่นั้นมากหลังจากนั้นหญิงแก่คนนึงเดินทางผ่านงานศพไป เธอเป็นหญิงแก่ใจดีเมื่อเธอรู้ว่าคาเรนเป็นเด็กกําพร้าเธอก็ตัดสินใจจะรับคาเรนไปเลี้ยงอ๋อเด็กน้อยที่น่าสงสารมากับฉันฉันจะให้เธอมีบ้านอาศัยให้กินอาหารที่ดีเธอจะต้องตั้งใจเรียนและสร้างชื่อให้ตัวเองโอ๊ใส่รองเท้าอะไรนะทำไมใส่รองเท้าแบบนั้นมางานศของแม่แล่ะฮะถอดมันออกไม่นะหนูชอบมัน <No. S 2> อ๋อย่าเด้อไปเลยนะฉันจะซื้อรองเท้าดีๆให้เธอใส่เองยิ้งแก่บังคับให้คาเรนถอดรองเท้าคาเรนเศร้ามากที่ต้องจับรองเท้าไปยิ้งแก่คนนั้นไม่มีลูกเธอดูแลคาเรนเหมือนลูกแท้ๆให้คาเรนมีห้องของตัวเองมีชุดใหม่ให้ใส่คาเรนได้รองเท้าคู่ใหม่ด้วย แต่พวกมันเป็นสีฟ้าคารเรนคิดถึงรองเท้าแดงเธอคิดถึงมันอยู่เสมอทำไมทุกคนไม่ให้ฉันใส่รองเท้าแดงสวยๆนะวันหนึ่งฉันจะใส่มันให้ได้ไม่มีใครหยุดฉันได้หลายปีผ่านไปคาเรนโตขึ้นมาตอนนี้เธอเป็นหญิงสวยแล้วแต่เมื่อโตขึ้นความดื้อของเธอก็มากขึ้น คารเรนเป็นเด็กที่ดูแลยากหนูไม่กินหนูจะกินข้าวแต่ฉันทำอาหารให้กินแล้วนะไม่ลองชิมมันหน่อยเหรอไม่หนูขอหิวตายดีกว่ายิ้งแกรักคาเรนมากและไม่อยากให้คาเรนหิวตายเธอเลยตามใจคารเรนเสมอเมื่อเวลาผ่านไป เสื้อผ้าเก่าๆของคาเรนและรองเท้าสีฟ้าก็สั้นและใช้ไม่ได้ยิ้งแก่รู้ว่าเธอต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้คาเรนเมื่อพวกเธอเดินไปที่ร้านเสื้อผ้าคารเรนก็เห็นรองเท้าแดงสดใสเออเหมือนกับคู่ที่หนูเคยมีตอนเด็กๆ เ, เลยอ่ะหนูอยากได้อ่รองเท้าแดงอีกแล้ว คาเรนใส่รองเท้าที่เธอเคยใส่มาตลอดสิถ้าเราต้องไปงานศพละ่ะเธอใส่รองเท้าแดงไปงานศพไม่ได้นะมันไม่ให้เกียรติแขกฉันมีเงินน้อยด้วยฉันซื้อให้สองคู่ใบได้ไม่งั้นเราต้องเดินกลับบ้านและฉันปวดเท้าแล้วฉันเดินไม่ไหวแต่คาเรนดีใจมากที่ได้เห็นรองเท้าแดงเธอไม่ฟังหญิงแก่เลยหนูไม่สนหนูรักพวกมัน หนูอยากได้ถ้าไม่ซื้อให้หนูหนูจะเดินเท้าเปล่าตลอดชีวิตเลย อ, อย่าอย่าหัวเรือไปเลยหนูวันหนึ่งหนูจะเสียใจนะแต่คาเรินไม่ฟังหญิงแก่เลยต้องซื้อรองเท้าแดงให้คาเรินและเธอต้องซื้อรองเท้าดำให้คาเรินด้วยหญิงแก่ไม่มีเงินเหลือและพวกเธอต้องเดินกลับบ้าน ระหว่างทางหญิงแก่เดินย่อปวดเท้าแต่คาเรินเต้นรำร้องรำทำเพลงดีใจร่าเริงกลางสายลมไม่สนใจหญิงแก่ที่ปวดเท้าวันหนึ่งหญิงแก่ต้องไปงานศพคาเรนเราต้องไปงานศพในเมืองมากับฉันนะแต่อย่าใส่รองเท้าแดงมันไม่ดี คาเรนเนก็ไปในห้องและมองไปที่รองเท้าดำหลังจากนั้นเธอมองที่รองเท้าแดงและใส่มันเธอซ่อนมันไว้ใต้กระโปรงและเธอไม่อยากให้หญิงแก่เห็นรองเท้าแดงระหว่างงานศพผู้คนเอาแต่มองที่เท้าของคารนพวกเขาซุบซิบหญิงที่ไม่ให้เกียรติคนตายมีคนบอกหญิงแก่ว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นหญิงแก่โกรธมาก เธอจับมือคาเรนแล้วลากออกไปจากงานศพโอ้เด <concentrated> ็กเด้ออย่างเธอนะเธอทำอะไรลงไปฉันบอกให้เธออย่าใส่มันมาที่นี่ทำไมไม่ฟังกันเลยแต่มันคือรองเท้าของหนูดูจะใส่มันไปทุกที่ที่ต้องการทหารแก่ที่เดินผ่านมานั้นดูสถานการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อคารเรนกับหญิงแก่กำลังเดินขึ้นรถม้าเขาไปหาคาเรน คุกเข้าลงแล้วกระซิบให้รองเท้าดีเหมือนเจ้าของแกเลยและรีบนั่งลงเมื่อเต็มรัมหลังจากนั้นทหารแกก็แตะเท้าคาเรนเอ้ลกขึ้นนะคะทำอะไรนอะโอ้ฉันชอบรองเท้าแรง ส, สวยๆของเธอนะ่ะเธอคงจะเป็นนักเต้นที่เก่งแน่ๆเลยคาเรนพอใจมากเธออยากให้ชายแกดูว่าเธอเต้นเก่ง เธอเริ่มเต้นรำก่อนที่จะขึ้นรถม้าไปกับหญิงแก่แต่ว่าออะออทำไมฉันหยุดเต้นไม่ได้ละ่ะทำไมเท้าฉันไม่หยุดเต้นเกิดอะไรขึ้นกับฉันนะโอ้คาเรนทำอะไรนะกลับมานะแต่คาเรนเต้นนำรถม้าไปไกลรองเท้าแดงไม่ฟังเธออีกแล้วพวกมันไม่ฟังคำสัง่ง พวกมันพาคาเรนเข้าป่าและภูเขาพวกมันเต้นรำเต้นรำจนเท้าของคาเร็นปวดมาหลังเธอก็ปวดจากการเต้นเธอหลับไม่ได้และกินไม่ได้เธอคิดถึงบ้านและเตียงของเธอยิ่งกว่านั้นเธอคิดถึงหญิงแก่แต่รองเท้าก็ไม่หยุดเธอหมุนเต้นรำทั้งวันทั้งคืนโอ้ใครก็ได้ช่วยฉันด้วยฉันเหนื่อยแล้วอะ แต่ไม่มีใครไปช่วยเธอตอนนั้นเธอกลัวมากรองเท้าพาเธอไปที่แมกไม้ขวากน้าและเท้าของคาเรนตอนนี้ก็ปวดสุดท้ายคาเร็นก็ถอดรองเท้าแดงออกได้รองเท้าหลุดจากเท้าคาเรนแต่ยังคงเต้นรำอยู่ตอนนี้เท้าคาเร็นหักแล้วเธอเดินไม่ได้โดยไม่มีไม้ทำ โปวดขามากอยากกลับบ้านแล้วคารนกลับบ้านของเธอไปได้รองเท้าเต้นราก็ตามเธอไปหญิงแก่ดีใจมากที่ได้เห็นคารนเธอให้อาหารคารนกินและให้คารนพักผ่อนวันถัดมาคารนอยากจะไปตลาดแต่เมื่อเธอเปิดประตูเธอก็เห็นรองเท้าแดงที่หน้าประตู พวกมันเต้นรําและหยุดไม่ให้คาเรินออกจากบ้านยิ้งแก่กับคาเรินแปลกใจมากที่เห็นรองเท้าพวกนั้นหลังจากนั้นคาเรินรู้ว่าทั้งหมดเป็นความผิดของเธอหนูวิ่น้าหัวเดอมาตลอดชีวิตเลยอะ่ะหนูดือยมาตลอดเหมือนรองเท้านี่หนูออกจากบ้านไม่ได้ไปโรงเรียนก็ไม่ได้ไปตลาดไม่ได้ไปไหนไม่ได้เลย ดูเสียใจมากจะทำยังไงดีโอ้โหหนูทำไมไม่ขอพรให้รองเท้านี่หายไปละ่ะถ้านูเสียใจจริงๆยังไงพรก็จะเป็นจริงนะคารินเริ่มขอพรทั้งวันทั้งคืนตอนเธอลืมตาขึ้นมาเธอแปลกใจที่ได้เห็นทหารแก่จากหมู่บ้านยืนอยู่ตรงหน้า หนูฉันดีใจที่เธอได้รับบทเรียนแล้วและตอนนี้เธอก็ใหม่หัวดื้อแล้วรองเท้าก็จะหายไปหลังจากนั้นทหารก็หายไปและรองเท้าแดงก็หายไปด้วยคาเรนกับหญิงแก่มีความสุขและสงบสุขคาเรนตัดสินใจเรียนหนักและไม่ปล่อยให้รองเท้าแดงกลับเข้ามาในชีวิตเธออีก อย่าหัวดื้อนะเด็กๆวันหนึ่งหนูจะรู้สึก